เรื่องพระแก้วมรกตเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นพักที่วัดป่าบ้านหนองผือพระอุปชาอุนคือพระครูบริบาลสังคกิจอุนอุตตโมวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกล น, นครได้ไปกราบนดมาสการฟังเทศและได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาดย0บนิ้ว เป็นผ้าพิมพ์ไซกรอบไปถวายท่านพระอาจารย์แต่ดูท่านจะลืมทําความสะอาดเพราะมีฝุ่นจับอยู่ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับด้วยความเคารพหลังจากท่านอุปชาอุ่นลาลงกุฏิไปแล้วท่านพระอาจารย์ได้ทําความสะอาดโดยนําผ้าส่งน้ําของท่านมาเช็ดถูผู้เล่าคือหลวงตาทองคําเอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปช่วยทําความสะอาดด้วยเพราะเห็นว่าผ้ายังสะอาดอยู่ ท่านหันมาเห็นเข้าพูดว่าอะไรกันนั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อนท่านก็เลยทำความสะอาดเองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วยท่านไหลเทศถึงความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกตท่านว่า พระแก้วมรกฏประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยะบุคคลพระอาริยะบุคลบคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ชิบหายด้วยภัยแห่งสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกฏนั้นมีปัจจัยสามอย่างคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดกะลียุคในประเทศนั้นและด้วยความรักและท่านยังบอกอีกว่าวัดพระแก้วนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ไม่ได้เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่รู้พุทธอัธยาศัยพุทธธรรมเนียมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์เป็นผู้สุคุมารชาต เมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียมถ้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัวผู้รู้ทั้งพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นทรงรู้แต่จอมไทยคือพระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้วได้ทรงสร้างวัดถวายจฉเพาะพระแก้วเท่านั้น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 จะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตามก็ได้เข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาโดยปริยายหรือจะบังเอิญก็แล้วแต่สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ต่อไปจะสามารถมาเกิดเป็นคนไทยสืบต่อบุญบารมีสำเร็จมรรคผลได้